2. กายานุปัสนาและเวทนานุปัสนาต้องมีสมาธิหนุนหลังวงเล็บเปิดสิบห้าเมษายน 2550. ห้าอห้าสิจุดจุดนาทีสิบสามวงเล็บปิดสัมมาสมาธิจริงจริงจิตจะไม่ขาดสติจะรวมลงมาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทำยากสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือนั่งไปเคลิ้มเคลิมสงบพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านใหม่ฟุ้งซ่านไปเต็มวันแล้วค่ำค่มานั่งใหม่ทุกวันก็เลยวนเวียนอยู่แค่นี้ คือเดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่แค่นี้เองจิตที่ไม่มีกําลังของสมาธิหนุนหลังมันรู้กายละเวทนายากกายานุปัสนาและเวทนานุปัสนาเป็นสติ ป, ปัฏฐานที่เหมาะกับสมถยานิกเหมาะกับคนเล่นฌานถ้าเราไม่ได้มีฌานหนุนหลังอยู่เรารู้กายมันจะหลงไปเพ่งกายมันจะไม่สามารถรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้จิตจะไม่สามารถตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูกายได้ แต่จิตจะกลายเป็นผู้เพ่งกายหรือผู้คิดเรื่องกายมันทำได้แค่นั้นถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นกายจะเห็นความเป็นธาตุของกายไม่ได้จะเห็นได้แต่อวัยวะเช่นจิตเราไปรู้ลมหายใจเราก็จะเห็นลมหายใจรู้ท้องพองยุบเราก็เห็นท้องรู้เท้าเราก็เห็นเท้าลมหายใจท้องเท้ามือร่างกายทั้งร่างกายมันไม่ใช่รูปตัวจริงมันเป็นแค่อวัยวะ ตัวรูปแท้ๆคือตัวธาตุทั้งหลายเห็นยากนะการจะเห็นร่างกายเข้าถึงความเป็นก้อนธาตุแท้ๆนี่ดูยากถ้าใจไม่ตั้งมั่นมีสมาธิหนุนหลังจะไม่เห็นคือภาวนาไปพอจิตมันรวมนะถอยออกจากสมาธิมาดูลงไปในกายเห็นถึงความเป็นธาตุของกายลำพังรูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปแท้นะรูปแท้คือธาตุดินน้ำไฟลมพวกนี้คือรูปแท้ รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่เป็นอาการปรากฏของธาตุเท่านั้นเราไปเห็นอาการปรากฏของธาตุในลักษณะของยืนเดินนั่งนอนเราก็คิดว่ารูปยืนเดินนั่งนอนฉะนั้นการรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนนี่ถ้ามัวไปดูตัวอิริยาบถจะเห็นรูปไม่จริงไม่ใช่รูปแท้เรียกว่า อันนี้ปะผันในรูปไม่ใช่รูปแท้แต่ถ้าจิตเรามีสมาธิหนุนหลังอยู่เราจะเห็นรูปแท้จะเห็นธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนี่รู้ด้วยร่างกายอาศัยรูปนี้เองรู้รูปส่วนธาตุน้ำรู้ด้วยใจเห็นไหมว่าธาตุเล่นยากนะธาตุกรรมาฐานไม่ใช่กระจอกถ้าจิตไม่ทรงฌานไม่เห็นหรอกดังนั้นกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาเหมาะกับคนเล่นฌานหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะ ในคำพีของเราสอนไว้อย่างนั้นอัตถกะถาก็อสอนไว้การรู้เวทนาจิตต้องทรงฌานเหมือนกันอย่างเรานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้แล้วดูความปวดความเมื่อยถ้าจิตไม่ทรงฌานจิตไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นเวทนาจะครอบงำจิตจิตจะทุรนทุรายกระสับกระสายไม่มีสมาธิไม่สามารถเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายไม่สามารถเกิดปัญญาเห็นความจริงของเวทนาไม่สามารถเกิดปัญญาเห็นความจริงของจิตตสังขาร ไม่สามารถมีปัญญาเห็นความจริงของจิตจะเห็นไม่ได้กายานุปัสสนาไม่ได้รู้แต่กายนะต้องรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามเวทนานุปัสสนาก็รู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามไม่ใช่ไปนั่งจ้องเวทนาพอปวดเมื่อยก็นั่งดูไปนั่งเพ่งใหญ่ว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อยอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าวิปัสสนานี้ใจเราจะต้องตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูแลเราก็เห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่ง เวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่กระสับกระสายเพราะเวทนาอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกกันขันจะกระจายตัวออกถ้ากำลังของสมาธิไม่พอมันจะรวมเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยมันจะรู้สึกว่าเราปวดเราปวดมันจะไม่กระจายตัวออกฉะนั้นใครฝึกกรรมาฐานอย่างสายท่านโคเอ็นก้าเนี่ยก่อนจะมารู้เวทนาเขาทําสมาธิก่อนอันนั้นถูกหลักเลยหรือสายครูบาอาจารย์วัดป่า ก่อนจะมารู้กายนี่ท่านทำสมาธิกันก่อนดังนั้นที่ท่านทำถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์มันก็ได้ผลง่ายหน่อยถ้าทำผิดหลักผิดเกณฑ์มันก็ไม่ค่อยได้ผลอย่างพวกเราจิตไม่มีสมาธิแล้วมารู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้เท้าที่เคลื่อนไหวยกเท้าย่างเท้ารู้มือเพ่งใส่มือจิตจะถลําลงไปเวลารู้ลมหายใจจิตจะถลำลงไปอยู่ในลม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 นั่งเพ่งจิตผู้รู้บ้างนี่ก็ไม่ใช่วิปัสนา